แล้วก็เกลื่อนํำว่าคนที่ทำความดียี่สิบครั้งทำความไม่ดีสองครั้งสองครั้งนะวงเล็บไม่ได้ผิดศีลทั้งห้าข้ อ, อแล้วสำนึกขอโทษเพื่อนหลายครั้งแต่เพื่อนยังโกรธอยู่เพราะเขาไม่ชอบให้เราแสดงกิริยาเช่นนั้นต่อเขาเขาไม่ให้อภัยเรา ม, มีแต่กล่าวตาหนิเราและดูเหมือนทำท่าจะเลิกคบ ก, กับเราถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าจิตใจเขามีความคับแคนฝังแน่นพยาบาทใช่หรือไม่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 คนไหนก็ได้ที่เราเคารพเอาเป็นกรุบาจารได้เป็นกาแลนามิตเอากรุบาจารเป็นกาแลนามิตรค่ะหรือสุดท้ายเอามรคแปดเป็นกาแลนามิตแต่ประเด็นถ้าเราไม่มีใครที่เป็นตัวคนจะคบกับเราแล้วไม่มีกาแลนามิตแล้วก็เอาธรรมะนี่แหละเป็นกาแลนามิตได้มรคแปดทีนี้มีไหมคะธรรมะที่พูดถึงการที่เรามีเพื่อนแล้วเอาเพื่อนเป็นคนก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเจตนาี่จะเป็นเรื่องที่เป็นมิตรเป็นคนนะคะ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 นะอันที่3คือรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทนะ 4, เป็นที่พึ่งของมิตรเมื่อมีภัยแล้วก็5ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายนะ5อย่างอย่างนี้แล้วสำหรับคนที่ทำอย่างนี้กับเราแล้วเนี่ยเราควรจะตอบแทนเขานะด้วยการที่เป็นคนผู้ใจแพร่นะสอ 2. ด้วยการให้ปันนะมีของอะไรก็ซื้อไปฝากแบ่งปันกันบ้างนะอันที่3ก็คือด้วยการประพฤติประโยชน์